ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่่มประพวติยานได้นำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิิมาเป็นเวลานานประสมควรตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสังคมเราถ้าหากว่าเชื่อกฎของกรรมนะฮะเชื่อกฎแห่งสัรสารวัดได้คือความรับผิดชอบจะสูงขึ้นแล้วถ้าหากว่าดำรงตนอยู่ในความสุจริต คือจะให้เกิดความอุ่นใจเกิดความมั่นใจในตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในช่วงสุดท้ายของกาลามาสูตรที่คนชอบนามาอ้างกันเนี่ยเขาทรงแสดงให้บุคคลมีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีในที่นั้นก็ทรงแสดงเรื่องภพมิหันสีแต่ถ้าหากว่าเรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีได้ แล้วเมื่อเราตายไปแล้วตีต่างว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ผลบุญผลบาปก็ไม่มีแต่เราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันที่เราสัมผัสได้เห็นแล้วนะคือสุจริตนะลองสังเกตว่าใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตนสุจริตนั้นมันเป็นลักษณะของมือที่ไม่มีแผลคือไม่ต้องกลัวว่าถึงคราวจะจับยาพิษก็จับได้ พยาพิษไม่สามารถจะซึมเข้าไปสู่ความมือที่ไม่มีแพลได้ก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้อย่ที่ทรงแสดงอันนิสงสุจริตเอาไว้ซึ่ ง, งกหมายความว่าคนที่อยู่ในสุจริตเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็รู้ไปจักตัวตัวเองว่าตนเองก็ติเตียนตนเองไม่ได้เราตรวจสอบดูแล้วเราก็ไม่มีความบกพร่ขของอะไร เราก็ไม่ติเตียนตัวเองได้แล้วบินยูชนนะฮะบินยูชนเอาคนดีๆคนชั่วอก็นิยายก็ไม่ได้หรอกบินยูชนไข้ครวนพินี้ปีหน้านแล้วก็จะยกย่องสรรเสริญเลอกเกียรติคุณความดีงามของบุคคลนั้นก็จะปรากฏไปในที่ทั้งหลายเกินไปที่กล่าวขวัยกย่องสรรเสริญของบุคคลทั้งหลาย อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเห็นรายได้แล้วแต่เรายืนหยัดอยู่ในสุจริต ธ, ธรรมทีนี้ตายไปแล้วก็บังเกิดในไม่ไม่ใช่ไม่หลงทำกาลักหรืายาตายตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะในสองสองข้อนี้มันก็ก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าออก คืออย่าไปประเมินตัวเองให้ให้เก่งไปไดทุกเรื่องนะเรื่องบางเรื่องเราต้องยอมรับความจํากัดในวุฒิภาวะของเราเหมือนกันคือความคิดของวินยุชนเนี่ยมายังชอบใจความคิดของท่านเสียเสนาบดีเสียเสนาบดีนั้นเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ที่แควนวัชีนะก็เป็นลูกศิษย์ของนิคนนะรณทบุตรมาก่อนแต่ต่อมาก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามา ว์ถามปัญหาอะไรแต่ายต่างๆสารพัดแล้วก็พระเจ้าก็ทรงอธิบายชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในการต่อมาเนี่ยท่านก็แสดงตนเป็นอุตรศุก์แล้วท่านก็ยินดีในการให้ทานมาตั้งแต่ต้นสร้างโรงทานขึ้นมาแล้วก็บริจาคทานแก่อยากจบบนพบคนอยากจนขัดสนนานาถาต่างๆเนี่ยก็วันหนึ่งก็เกิด ต้องการจะทราบผลของฐานคือตามปกติที่พบเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงห้าข้อนะ่ส่วนใหญ่ก็จะแสดงหข้อแต่ตอนแสดงแก่ท่านสาเสนาบดีเนี่ทรงแสดงหข้อคือข้อหนึ่งเนี่ยผู้ให้ทานเนี่ยจะเป็นที่รักของคนเป็นนันมากสองเกียรติคุณอันดีงามจะเป็นที่ยกย่องของบุคคลทั้งหลายสามเนี่ยจะเป็นคนที่ ากล้าหารไม่ขั้นคลามขำเกรงในสมาคมทั้งตั้งัวก็จะเข้าไปในที่ในก็เป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีสถานะในสมาคมตรนั้นแล้วคนดีเนจะยกย่องสรเสริญสนับสนุนเข้ามาเป็นพวกแล้วก็ไม่หลงดายนะตายไปแล้วมันเกิดในสุคติ ท่านเสียนาเสนาบดีกลาวถูงว่าสี่ข้อแรกเนี่ยครับพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีประภาคก็ได้เพราะว่าทั้งสี่ข้อเนี่ยรับพระองค์สัมผัสดูตลอดตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นคนตั้งหลงฐานแต่สองข้อเนี่ยไม่หลงตายก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุกติเนี่ยครับพระองค์ต้องเชื่อพระผู้มีประภาคเพราะว่าพระผู้มีประภาคจะสรู้ข้าพระองค์ไม่ได้สรู แต่ถ้าเราลองดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเห็นว่าในหกข้อเนี่ยมันก็ตั้ง4ี่ข้อเนี่ยเราเราสัมผัสได้ด้วยตัวเองสองข้อก็ถวายพระพุทธเจา้าคือเชื่อตามเปวะเจาว่ามันก็ปลอดภัยทีนี้ความอุ่นใจข้อที่สองก็เกิด ว่าถ้าสมมติผลบุญเพบาปมีแบบแบบสมมุติเอาเลยนะฮะสมมุติผลบุญเพราะบาปมีนะโลกสวรรค์นี้เนี่ยเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันด้วยตายไปแล้วบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ด้วยอันนี้ก็ตรงคือยุ ต, ติกะลักที่พระเจ้าทรแสดงไว้ทีนี้ถ้าหากว่าใจมันแกวง่งใจสับสนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการของกรรมเอาแหละ สมมติว่าผลบุญผลบาปไม่มีนโกสวรรค์ไม่มีแต่เราทําทุจริตอ่ะเรารพิทุจริตเราตายไปแล้วเนี่ยผลบุญผลบาปไม่มีในโลกสวรรค์ไม่มีแต่ก่อนจะตายแหละก่อนจะตายมันก็มีปัญหาสารพัดก็มีข่าวคราวให้พิสูจน์ทดสอบก็มองเห็นกันอยู่ทั่วๆไปทีนี้ถ้านโกสวรรค์มีผลบุญผล บ, ญบาปมีก็ตายไปตกนรกด้วย เห็นไหมมันขาดทุนด้วยประการตัางปเพราะั้นคนที่ทําความดีเนี่ยคุณเจ้าทรงใช้คำเดีว่าเป็นผู้ชนะในโลกนี้แล้วไปชนะในโลกหน้าคือชนะในโลกทั้งสองและยังทรงกยกล่องสรรเสริญไว้ในที่ต่างๆไปดังมากนะเช่นว่าบุคคลที่ทําบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้แล้วโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทอเพรย่อมบรรเทงในโลกทั้งสองพระมองเห็นว่าตนได้ทําบุญเอาไว้แล้ว ทีนี้ตรงนี้มันเป็นผลประจักษ์ประจักษ์มันก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับรู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราต้องประจักษ์ด้วยตัวเราเหานการประจักษ์รูปมันก็ต้องประจักษ์ด้วยตาแต่บางทีมันต้องใช้ตาปัญญานะรูปบางรูปต้องใช้ตาปัญญาใช้ตาเนื้ อ, อไม่ได้แล้วก็เสียงบางเสียงต้องประจักษ์ด้วยหูแต่ก็ต้องมีปัญญาเขากำกับ พอยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอ่อนแอมากนะเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยิ่งมากยิ่งอ่อนแออย่างนี้ว่ามันยิ่งเสริมผูกปัญญาให้นะแล้วจะเห็นว่ายิ่งอ่อนแอผูกกระดมกันง่ายสร้างม็อบกันง่ายมันมันสะท้อนให้เห็นภาพของความไม่รู้ความยากไร้ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันเลยกันในความไม่รู้กับความยากไร้นี่เอาเงินมาเอาผลประโยชน์มาเนี่ย ใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็จับปันปันหัวยังไงก็ได้พราะนั้นเหนไว่าเราก็ต้องมีปัญญาเข้ากับในการรับฟังข้อมูลข่าวสารคือคนคนที่สื่อสารนี่เราไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไปเชื่อง่ายเกินไปมันก็ไม่ได้เพราะฉนั้นทำยังไงว่าเพียงแต่รับฟังอยากกระโจนเขาร่วมบวงไพ่บูญกับเขา เรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องคิดหลายชั้นนะฮะต้องกลั่นกรองหลายชั้นอย่างในกรณีที่รู้สึกจะเคยยกตัวอย่างให้ฟังก็จะมีการเขาเรียกว่าเลยล้อมรวมใช้สํารวนสวิงสวายดีได้กันจะล้อมรวมคําสอนในาศาสนาต่างๆเข้าไว้ในหลักสูตรเคยเป็นอันหนึ่นองอัเดียวกัน คือขาดการประมาณตัวเองแล้วไม่รู้หัวรู้หางอะไรเลยเนะฮะความคิดอย่างนี้มันทําไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานของคาสอนที่มาของคาสอนในศาสนิกในศาสนาเนี่ยคือการจะน้อมนํามาคําของใครมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขต้องชัดเจนในสถานภาพมังกรนั้นถ้าเขาไม่ชัดเจนเขาไม่ยอมรับเขาไม่นับถือเขาไม่ศรัทธาเขาไม่ฟังเขาไม่เชื่อ และจะน้อมนำไปปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เพราะเราลองดูธรรมคุณเนี่ยนะรธรรมคุณเนี่ยมันขึ้นในสวัสดิ์คาโตทําไมต้องขึ้นในสวัสดิ์คาโตะล่ะเพราะธรรมคุณไปเชื่อมกับพุทธคุณสวัสดาโตแปลว่าพระธรรมมันพระผู้มีรพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วแล้วก็ต่อมาก็สะท้อนสถานะอีกอย่างหนึ่งก็คืออากาลิโก ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่มีข้อแม้ว่า<ม>สันทิติโกคือผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นเองแล้วทำยังไงละ่ะเราก็าต้องโอปะนิโกคือต้องไปศึกษาปิดวิจารณาค้นคว้าหาความรู้ความกระจใจแล้วก็โอปะนิโกคือนำมาประพฤติปฏิบัติ ปนามาปฏิบัติมันก็กลายเป็นปัจตจังลิทโวมโยชิวินโยชนจะรู้ได้เฉพาะตนยังแม้มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ทีนี้ถ้าไม่รู้นายแมวที่ไหนมาพูดเนี่ยมันไม่มีใครนับถือหรอกพูดแล้วเพราะยังไงก็ได้ไม่มีใครก็นําไปปฏิบัติปฏิบัติหรอกแม้ก็อาจจะเอาไปอ้างเอาไปพูดอะไรได้แต่จะยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ปฏิบตัติมนุษย์เนี่ยก็มีศักดิ์ศรีก็มีอัตตาเขานะ ทำตามใครล่ะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติตามใครอย่างเวลาเนี้ยเราต้องโขนรวบรวมราโชวาศกับพระพุทธศาสนาสุภาษิตกันอยู่ทางสื่อต่างๆเนี่ยจะอ้างนายกรนายขอแม้แต่ขนาดปรมาจารย์สุนทรภู่เนี่ยก็อ้างอย่างงั้นน่ยก็ว่ากันไปอย่างงั้นนแต่ว่ามีใครที่ดําเนินชีวิตไปตามหลักคํากรรของสุนทรภู่บ้างไหมล่ะมันไม่ได้ให้ความพาภูมิใจ แล้วก็ที่จริงเป็นทําลายศรัทธาในศาสนาเขาด้วยนะฮะ ร, ระการที่มีใจฝักใฝ่ในศาสนาอืน่นแล้วก็มีศาสด า, า, าเป็นสองอนะ่ะคือการนับถือเหมือนาศาสดาเหมือนกับพ่อแม่นะฮะเรามีคนเดียวเองอ่ะมีพ่อแม่คนเดียวมีมีพ่อหนึ่งคนแม่หนึ่งคนนั้นเองแต่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานับถือได้ คนปูนพ่อปูนแม่แก่กว่าพ่อกว่าแม่รุ่นน้องของพอ่อของแม่เนี่ยก็เป็นลุงป้าหน้าอานี้ได้แต่ไม่ไม่ใช่ในฐานะพ่อแม่เพราแม่เราก็มีเท่านั้นศา ส, สดาศา ส, สนาไม่จะเชื่อมโยงมาศา ส, สดาศา ส, สนาธรรมมาถึงศาสนิกและศาสนิกนั้นจะต้องปฏิบัติตามศาสนธรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากศาสดา ส่วนศาสดาจะรู้มายังไงนั่นก็เป็นเรื่องของความเชื่อถือของคนดอกนั้นนั้นการมองปัญหาเนี่ยเราไปมองเฉพาะตัดตอนแล้วก็ถือว่าตัวเองมีสถานะมีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ทำได้ตัมกายเป็นเศษกระดาษก็เปลืองงบประมาณแผ่นดินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม แต่ถ้าเรามองย้อนไปนะฮะย้อนไปว่าบ้านเมืองเรานี่เคยทำอย่างนี้มาเยอะทำมาหลายครั้งแล้วนะฮะไม่มันก็ทำโดยวิธีการงต่างเช่นคราวหนึ่งศาสนาคริสต์เคยเอาคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยไปตรงกับของพระเจ้าเขาในศาสนาคริสต์หนังสือในโนบวาเนี่ยฮะจริงจริงแยกกมาเป็นเล่มเล็กๆสิบเก้าเล่ม ถามเม่อมีคนก็จําได้ไหมเขารู้ไหมเขาสนใจนํามาประพฤติปฏิบัตินะั้นไม่มีทางเพราะในการหลอมรวมเนี่ยอะไรมันหลอมรวมกวับอะไรท่านจึงบอกว่าพึงประพฤติทําให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติให้เป็นทุตจริตประพฤติได้ดีประพฤติได้งามประพฤติได้ง่ายรอนเรื่องเมืองเรื่องเนี่ยมันก็ต้องใช้ปัญญาเรื่องเมืองเรื่องก็ต้องแค่ศรัทธาแต่ว่า ต้องกำกับด้วยกันทั้งสองอย่างแล้วก็ดีตัวนหนึ่งจะต้องพิสูจน์ทดสอบนะฮะเช่นว่าส่วนแสดงไว้อีกประสูตรหนึ่งว่าคนที่ดำรงอยู่ในสุจริตเนี่ยแม้ตนเองก็ไม่ติเตียนตนเองบิรยูชนพิจารณาแล้วสรรเสริญเกลียัพาปงามก็ฟุ่งไปจรไปแล้วก็ประต่างกันในข้อที่สี่ข้อที่ห้าคือไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม แล้วก็จะดำรงตนอยู่มั่นคงในพระัตธรรมเพราะอะไรเพราะมันผ่านกระบวนการเราจะเริ่มดีเชื่อก็ตามเรื่องในปัญญากระตาเมืม่อกระทามองใกล้ๆเก้าส่งอาหารเรากินเราเชื่อคนส่งให้หรือว่าเรารู้สถานภาพของอาหารเรานั้งก็ตามแต่เรากินเข้าไปเนี่ยพอสัมผัสรสอร่อยแล้วก็ต่อไปเราก็หากินเองหากินเองอาจจะไปจำสูตรอาจจะ มาอาจจะไปซื้อหามาก็ตามนะฮะก็สรุปว่าตอนชิมนี่มันชิมเพราะศรัทธาก็ได้ชิมเพราะปัญญาก็ได้แต่ว่าเมื่อเราสัมผัสตรงแล้วเนี่ยเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองที่จะเลือกรัประทานต่อหรือไม่รับประทานต่อมันก็อยู่ที่ตอนสัมผัสตรงของเราเราสัมผัสตรงมาเป็นยังไงปัญหาใหญ่ในบ้านในเมือ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามนะเราจะเห็นว่ามันไปนยึดโยงอยู่กับความเห็นที่สมัยโบราณเนี่ยท่านพูดว่าทํานองของธรรมเขียนชอบตามธรรนองของธรรมคือโลกนี่มันไม่มีวันสองวันเนยมันม า, มาต้ทั้งงานแล้วมันเคยผ่านมือระดับาศาสดามาตั้งเยอะแล้วนะะแล้วก็เรียกว่าประมาณเท่าไหร่ล่ะ เอาเป็นเรื่องเป็นราวนะนับเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่ศาสนาอิสลามเป็นต้นมาเอาศาสนาซิกก็ได้นะกรุณาลัทธเป็นต้นมาเนะี่ยก็ยังไม่มีศาสดาแต่เราเห็นว่ากรุณานักเทศมีลักษณะล้อมรวมกันเออจริงก็ดูดูตัวอย่างตัวนี้ก็ได้นะศาสนาซิกเนะฮะศาสนาซิกเนี่ยที่จริงมีลักษณะล้อมรวมเพื่อเอาคําสอนของฮินดูกับคําสอนของอิสลามเนี่ยมาล้อมรวมกัน เพราะจะท้ากันที่จะเป็นเอกภาพมันไม่เป็นเอกภาพมันกลายเป็นศัตรูกันทั้งยินดทูทั้งอิสลามแล้วก็เติบโตกันไม่ได้ได้ข่าวเห็นไหมได้ข่าวรบกันบ่อยทะเลาะ ก, กันบ่อยแล้วก็ศาสนาซิกจำนวนคนก็ไม่มากฮะซิกก็แปลศิษขารหรือศิษย์เนี่ยนะฮะที่จรงิงนั่นคือเป็นบทเรียนที่มีอยู่แล้วในในในทางประวัติศาสตร์ พลนกรรมเนี่ยมันต้องผ่านปัญญาหรือผ่านศรัทธาแต่ถ้าถ้าประคับประคองทั้งสองอย่างเนี่ยหมายความบทเรียนในดีก็เราใช้ศรัทธาเพราถ้าเราทําอย่างนั้ น, ม, ม, น, น, งงนมันก็เป็นอย่างนั้นน่แต่ว่าก่อนที่จะเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องศึกษาก่อนมันก็กลายเป็นปัญญานําได้เกิดความเชื่ออย่างในประเทศพมา่าเนี่ยก็เคยทําอย่างนี้เคยสึกพระหมดประเทศตั้งสองครั้งนพะพมา่าเนี่ย ที่ต้องการจะหลอมรวมไม่เป็นนิกายเดียวกันพุทธทาสแตกเละเลยอลังกาก็เหมือนกันนะฮะลังกาเนี่ยก็เหมือนกันขนาดเราสร้างกัลยาณีสีมาขึ้นมาไปบวชกันในแม่น้ํากัลยาณีเลยบวชกันกลางแม่น้ําเลยคนทธทยสไปเนี่ยลังกามีนิกายเยอะห เ, ยเห็นไหมญี่ปุ่นเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกันก็กลายเป็นนิกายไม่ได้เท่าไหร่ เัราแนวตัวเนี้ยมันรอก็เลยก็เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้สํานึกสํมณีเรียนรู้แล้วก็คิดจะทําอะไรมันก็มองไงมองให้รอกก็มันมีหลักการเช่นะทํานองทองทำมีเนี่ยคือตรงหน้าข้ามมันก็เป็นนอกทํานองทองทำมันผิดจากทานองทองทำเราไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนเราคลิกด้านหนึ่งเข้ามาดูก็เข้าใจ ฉันะนวาเนี้ดู ง, ง่ายๆว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาปเพราะฉะั้นการไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นบุญไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ไม่จำเป็นจะต้องไปท่องด้วยคือตรงกันข้ามันเป็นเส้นทางระหว่างความดีกับชั่วนะนกุศลกับอกุศลเนี่ยมันเป็นคนละเส้นทางกันแลวมันขนานกันไม่มีจุดบรรจบแต่ว่าการอยู่ภายในสังคมของเราเนี่ย รสชาติช่วยเราใช้อารมณ์นี่เยอะไม่เค่อยใช้เหตุผลแลวบางครั้งบางคราวเนี่ยก็อยู่ในจุดที่จะต้องยอมจำนนว่าเขาก็คงเป็นเขาอย่างนั้นแหละก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมเขาเราแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นเราติดต่ออะไรกับเขาไม่ได้ อางบางทีเนี่ยนะเรื่องบางเรื่องนี่น่ า, นาจะพูดแต่ปัญหาไ้พูดกับเขาได้ยังไงคือคนเราเนี่ยเขาปิดตาปิดหูเขาอะ่ะปัญหาต้องการหัวใจเขาบอดแล้วที่จริงพวกพวกเหล่านี้ถ้าหากว่าเราจัดกิจกรรมขึ้นมาได้นะจัดกิจกรรมขึ้นมาได้แล้วก็ติดต่อประสานงานกัน เข้าหลักสูตรแบบสัมมนาแล้วเข้าไข้พุทธบุตรพุทธธรรมนะมีทั้งเรียนมีทั้งปฏิบัติแล้วก็ผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควกรก่เหตุถ้าผ่านขั้นตอนอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วคนจะสัมผัสเองคนเจอสัมผัสผลของกุศลอกุศลบางอย่างเนี่ยสัมผัสตรงบางอย่างก็เชื่อเอาบางอย่างก็เรียนรู้เอาแล้วก็สามารถจะมองอะไรก็ได้นะได้จริง รูละเบงละครก็ได้อ่านหนังสือก็ได้อ่านข่าวคราวก็ได้ฟังวิทยุก็ได้มันเป็นแหล่งของการเรียนรู้แล้วก็เสริมเติมเต็มในเรื่องวิชาการทั้งหลายเพราะว่าหลักการหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จริงนั้นก็เป็นกฎนะฮะเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างนี้ มันไม่สุดอย่างนั้นเนี่ยะเราลองดูลักษณะอาการของกิเลสทั้งหลายสมมติรความโกรธเนี่ยแมวโกรธม้าโกรธคนโกรธเด็กโกรธผู้ใหญ่โกรธมัน ก, ก็รู้นะต่างชาติโกรธเรารู้ภาษาอะไรก็ไม่ได้เนี่ยภาษาโกรธภาษาเกลียดภาษาโลภภาษาดีใจเสียใจเนี่ยเป็นภาษาสากลที่เรารู้ได้นั่นก็แสดงว่ามันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดา ที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วเปลี่ยนแต่ว่าเราสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้หรือไม่แต่คิดได้เป็นปนัญหาสาคัญในปัจจุบันในะอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่คุณคิดยังไงอะเรื่องทั้งหลายที่ปรากฏอีกมากพอข้อมูลในมหาศาลแล้วแล้วคุณคิดยังไงคุณมีท่าทียังไงในเรื่องเราเนี้ ถ้าเราปล่อยให้ใจมันเลื่อนไหลไปตามกระแสะของโลกปดหลงมากเนี่ยวิถีชีวิตก็จะมากไปในบาปกรรมเมื่อบาปกรรมมากเนี่ยผลของบาปก็จะให้ออกมาในรูปของความทุกเวรภัยอันตรายต่างๆเราก็รู้ข่าวนะมือปืนถูกยิงพวกค่ายาบ้าถูกยิงคนนั้นถูกจับถูกติดคุกถูกอะไรต่างๆมันก็สอนนะ แต่การยกย่องเชิดชูคนดีต่างๆปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวนะเระาก็ศึกษาโอ้โหคนอย่างนี้มันมันควรแก่การยกย่องจริงๆนะครับเพราะว่าทาประโยชน์แก่โลกมหาศาลมากๆเช่นว่าพวกศึกษาค้นคว้าวการวิจัยในทางโรคภัยแค่เจดต่างๆเนี่ย เมื่อคนเจอขึ้นมาจริงๆนี่มันเป็นประโยชน์แก่ประชากรโลกเป็นล้านๆนะนะเป็นประโยชน์แกแกคนเป็นอันมากกันเองกันนั่นแก่แต่คนตอนนี้ก็ควรแกการได้รับรางวัลนะรางวัลนะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะฮะแต่แสดงให้เห็นจริงจิตใจเรายอมรับนับถือความดีของคนดีสังคมก็มีมุติตาเมียน牟ทนาดำหลักเหล่านี้ วันแนลในสมัยโบราณเราจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะทำบุญไม่มีอะไรเนี่ยเขาเห็นผ้าป่ากระถินก็ยกมือทั่วหัวไหวเพื่อาานเขาเดินผ่านหน้าบ้านไปทอดผ้าป่าทอดกระถินไปทำบุญมาแล้วพอส่วนบุญนะคนนี้ก็นั่งเพราะเพียบยกมือทั่วหัวมูมทนาสาธุเข้าใจมันสบายมันบุญที่จริงมันทำได้อยู่ทุกขณะจิต อยู่ที่จิตเราเนี่ยมันอยู่ที่คิดยังไงอยู่ที่คิดยังไงนี่เป็นเรื่องใหญ่คิดได้เป็นบุญกับบาปก็ได้คิดได้เป็นบาปก็ได้คิดได้ตกนรกอย่างได้เลยคิดได้ขึ้นสวรรค์อย่างได้ก็อยู่ที่ความคิดของเราเพราะหลักการสําคัญเนี่ยการจำแนกแยกแยะอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระนี่มันอยู่ที่ความคิดเห็นความความคิดผิดหรือคิดชอบเนี่ยเป็นตัวการสาคัญ ผูกฝั่งทั้ ง, งหลายแต่ ร, ปรูปปัฏฐานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมสุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี